มีใครอยากจะถามเลยรไหมอยู่เวเดี๋ยวลองก่อนอันนี้เป็นภาษาไทยถ้าพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวคนไทยหนีหมดต้อง <c oughs> พูดภาษาไทยก่อนอย่างน้อยคนไทยฟังสักชั่วโมงก่อนแ้วเดี๋ยวค่อยฟังภาษาอังกฤษถ้าเริ่มภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวคนหายหมดเพราะฟังไม่รู้เรื่อง สติสติปทานสี่ครับกาคือนาจิตธรรมต้องคันไปทําจากกายไปเวทนาไปจิตไปธรรมหรือว่ามันเป็นทําปริญญาตีโทเอกเลยนะต้องเป็นขั้นลำดับขั้นทำปริญญาตีก่อนคือร่างกายก่อนแล้วก็ทํำปริญญาโทคือเวทนาแล้วไปทําปริญญาเอกคือทําจิตด้วยธรรมธรรมะเป็นเครื่องมือ ที่เราจะเอามาใช้ในการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตตอนนี้เราทุกกับร่างกายใช่ไหมทุกกับเวทนาใช่ไหมทุกกับจิตใช่ไหมเรามารู้จักวิธีปลดเปลื้องความทุกข์จากร่างกายจากเวทนาจากจิตเราต้องมีธรรมสร้างธรรมขึ้นมาเบื้องต้นเราต้องมาสร้างสติธรรมก่อนสติปทานสี่ อาจจะเริญสติให้มีสให้มีสติคอยกํากับควบคุมใจใจเปรียบเทียบเหมือนกับรถยนต์สติเป็นเหมือนกับคนขับรถยนต์ต้องคอยควบคุมอย่าให้รถมันวิ่งออกนอกรูนอกทางแหกโค้งตกเหวอดี๋ยวนี้จิตเรามันชอบแต่แหกโค้งตกเหวชอบประสบอุบัติเหตุต่างๆเวลาไม่สบายใจเวลาทุกข์ใจนี่แสดงว่าแหกโค้งแล้ว ตกถนนละไม่ได้อยู่ในถนนเวลาที่เราสบายใจเนี่ยแสดงว่ารถมันอยู่บนถนนจิตเราอยู่บนบนที่ที่ชอบคือที่ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์แต่เราชอบเผลอเรื่อยพอไม่มีสติเดี๋ยวรถก็วิ่งตกข้างคลองบ้างตกข้างคูบ้างบางทีก็ไปชนรถคันอื่นบ้างความทุกข์ต่างๆของเราเนี่ย ที่จากสาเหตุที่เราไม่มีสติเป็นตัวแรกตัวที่สองก็คือปัญญาที่ี่สองตัวนี้เป็นเครื่องมือเป็นธรรมที่เราจะเอามาเจาริญเอามาสร้างเอามาควบคุมใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับร่างกายไม่ให้ไปทุกข์กับเวทนาไม่ให้ไปทุกข์กับจิตจิตก็คืออารมณ์ที่มีอยู่ในจิตเนี่ย อารมณ์จิตเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่ยบางวันก็สดชื่นเบิกบานบางวันก็เศร้ามองบางวันก็หงุดหิดนำคานใจบางค่ามันก็เบื่อหน่ายท้อแท้บางวันก็ซึมเศร้าหดหูอันนี้คือจิต ท, ที่เราไปทุกขกับมันเราไม่รู้จักธรรมชาติของมันไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเรื่องเหตุการณ์ของจิต เหตุการณ์ของเวทนาเหตุการณ์ของร่างกายนีร่างกายมันง่ายกว่าเวทนาเวทนามันง่ายกว่าจิตความละเอียดมันต่างกันร่างกายรี่เห็นชัดเห็นด้วยตาเปล่าได้เห็นร่างกายตลอดเวลาเวทนานี่มันต้องมีเห็นมะมองไม่เห็นด้วยตาไม่เห็นต้องมีความรู้สึกต้องมีตัวรู้คือใจคอย สติคอยสังเกตรับรู้จิตก็เหมือนกันมันละเอียดฉะนั้นท่านสอนเป็นขั้นขั้นเป็นระดับปริญญานร่างกายก็เหมือนปริญญาตีเวทนาก็ปริญญาโทจิตก็เป็นปริญญาเอกนะความข้ามขั้นตอนไม่ได้ แล้วก่อนที่เราจะเข้าสู่ระดับปริญญาได้เราก็ต้องไปเอาสร้างสร้างกำลังขึ้นมาก่อนเหมือนต้องไปเรียนระดับปฐมมนุบาลมัธยมก่อนเรียนสติก่อนเรียนสร้างสติเรียนสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนคันตนแรกท่านถึงสอนให้เจริญสติอยู่ตลอดเวลาให้มีสติคอยกำกับควบคุมจิต ให้จิตนียอยู่ในความสงบตอนนี้จิตเรามันสงบบ้างไม่สงบบ้างบางทีก็คุมได้บางทีก็คุมไม่ได้เพราะกำลังของสติเรามีมีไม่มากพอถ้ามันสติมันไม่พยศเราถ้าจิตไม่พยศเราก็พอจะคุมมันได้แต่พอมันเริ่มพยศนี่พอมันเริ่มโลภเริ่มโกรธขึ้นมาเราก็จะเอามันไม่อยู่ เหตขั้นต้นนี้เราจึงต้องมาสร้างสติตัวคอยตัวที่จะคอยกำลาบหรือควบคุมจิตให้มันสงบไม่ให้มันไม่โลภไม่ให้มันโกรธไม่ให้มันหลงหยุดมันก่อนเวลามันโลภก็หยุดมันเวลามันโกรธก็หยุดมันถ้ามีสติมันจะหยุดได้ถ้าไม่มีสติ ก็หย <de leg ante> ุดไม่ไ <purely> ด้ถ so ้าเวลาโกรธแล้วหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติเวลาโลภแล้วหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีสติมันก็โลภอยู่กับเนี่ยร่างกายโลภอยู่กับเวทนาโลภอยู่กับจิตอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้จิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไมวันไหนที่เราสดชื่นเบิกบานเนี่ย อยากจะให้มันสดชื่นเบิกบานไปทุกวันพอมันไม่เป็นพอมันหดหูก็ก็ทุกขอยากให้มันหายอยากจะให้มันกลับมาสดชื่นเบิกบานเวลามีสุขเวทนาก็อยากจะให้มันสุขเวทนาไปเรื่อยๆไม่อยากจะให้มันทุกขเวทนาไม่อยากไม่อยากให้มันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ ร่างกายก็อยากจะให้มันแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆไม่แก่ไม่ตายเนี่ยนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความทุกข์กับร่างกายกับเวทนากับจิตถ้าเรามีสติมีปัญญามีความเพียรความพรเพียรที่จะใช้เพียรต้อง ต้องมีความเพียรก่อนถึงจะเกิดสติขึ้นมาได้ต้องพยายามเพียรสร้างสติขึ้นมาพอมีสติเราก็จะควบคุมใจได้ในระดับหนึ่งหยุดมันได้เวลามันจะแหกโค้งเวลามันจะฝ่าไฟแดงเราก็เหยียบเบรกเกอหยุดมันเช่นเวลามันจะไปโลภเราก็หยุดมันเวลามันจะไปโกรธเราก็หยุดมัน ถ้ามีสติเราก็จะพอหยุดมันได้โลกกับร่างกายโลกกับเวทนาโลกกับจิตนี่แหละตัวรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสารเสรญนเป็นตัวที่จะล่อล่อจิตของเราคือล่ อ, อยังไงก็ถ้าเราอยากได้ลาบยศสารเสรินอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็อยากให้ร่างกายไม่ตายใช่ไหอยากให้ร่างกายมันอยู่ไปได้เรื่อยเราจะได้ใช้ร่างกายนี้หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้กายเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเวลามันแก่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันตายนี่มันหาลาบยศสรรเสริญหาความ สุขทางตาหูจมูกดิ้นกายไม่ได้องค์ต้าเจ้าก็เลยบอกว่าต้องมาเลือกหาราบยุศสารเสริญหารูปเสียงกลิกก่นรสถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกาย เ, เราก็จะปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาได้<ส>คือไม่เที่ยงร่างกายเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ตอนนี้เราไม่ยอม ไม่ยอมให้มันไม่เที่ยงเราอยากให้มันเที่ยงอี่ยให้มันสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังวังชาแต่ไม่เจอกันทีไรถามสบายดีหรือเปล่าก็บอกว่ายังหายใจได้สบายถามใครก็มีแต่ถามว่าสบายไม่ไม่ท่าไม่ไมไมควรจะถามว่าตายแล้วยังคุณจะต้องตายไม่รู้เหอรอก็ถามเตือนสตกไงอันนี้คุณ จะตายหรื อ, อยังเตรียมตัวตายหรื อ, อยังเพราะถ้าเตรียมตัวตายได้คุณสบายเข้าใจไหมถ้าคุณพร้อมตายเมื่อไหร่คุณสบายเมื่อนั้นคุณจะอยู่อย่างไม่มีความกังวลไม่มีความทุกข์กับร่างกายพร้อมเจ็บหรือยังถ้าพร้อมเจ็บแล้วคุณก็จะไม่มีปัญหากับเวทนาทุกขวเวทนาคือความเจ็บเจ็บคข้ได้ป่วยก็ได้เจ็บด้วยความหิวเพราะความอดอยากขาดแคลนก็ดี เจ็บทางร่างกายเนี่ยถ้าคุณพร้อมที่จะเจ็บแล้วคุณก็จะไม่ทุกข์กว่ามันแต่ตอนนี้คุณไม่พร้อมคุณไม่ยอมไม่ยอมทุกข์ไม่ยอมแก่ไม่ยอมตายแล้วก็ไม่ไม่ยอมให้มีอารมณ์ไม่ดีอยากให้มีอารมณ์ดีทั้งวันเบิกบานแต่พอมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาลุมเล้วมันก็ทําให้จิตใจวุ่นวาย ซึมเศร้าเศร้าหมองอเพราะว่าเราไปยุ่งกับไอ้ลาบยศสละแสญกับไอ้รูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละพระเจ้าจึงบอกว่าเราต้องมาเลิกมันวิธีจะเลิกมันก็ต้องาอาศัยสตินี่แหละถ้าเรามีสติเราจะสามารถควบคุมใจทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้พอใจเป็นสมาธิแล้วใจจะมีความสุขในตัวเอง เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรถโหตภะพอมีความสุขในใจแล้วก็เลือกปล่อยได้ราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสไม่มันสู้ความสงบไม่ได้ความความสุขที่ได้จากความสงบเป็นเหมือนรถโรลส์รอยนี่เราขับเบนสพอได้โรลส r รอยเบนส์ก็ทิงได้ แต่ตอนนี้เราไม่มีโสรสลอยก็เลยเอาเบน์ก่อนถ้ามีโสรสลอยแล้วก็เบนท์ก็ทิ้งได้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาหาโสรสลอยกันมาเจริญสติกันแล้วก็มานั่งให้ในปสสูในสติปัฏฐานสูตรข้อแรกก็ให้นั่งนั่งที่โคนไม้นั่งตามโคนไม้หลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนี่กำลังเรียกว่ากำลังนั่งสมาธิ ด้วยวิธีของการเจริญอาณาปณะสติให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราเริ่มต้นแล้วมันไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็แสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยดูลมได้ปั๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไปละเดี๋ยวไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็ต้องออกจากสมาธิมาออกจากการนั่งสมาธิแล้วก็ต้องมาฝึกสติตลอดเวลา ฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็ต้องกำกับใจอย่าปล่อยให้มันคิดเหมือนการเลี้ยงหมาเนี่ยจิตดูจิตเป็นเหมือนหมาที่มาอยู่กับเราเนี่ยพอเรามันนอนกับเราพอเต่นมันเราก็ปลุกมันแล้วก็คอยเอาอะไรจับมันไว้อย่าปล่อยให้มันไปวิ่งเพ่นพ่านเดี๋ยวมันไปขี้ไปเยี่ยวตรงนู้นตรงนีน้จิตเราเป็นเหมือนหมาที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยเราต้องมี มีอะไรที่เขาเรียกสายรัดคอมีอะไรที่จะคอยดึงมันไว้ไม่ให้มันไปทำอะไรเสียหายพอลืมตาขึ้นมาเราก็ใช้สติเลยดูมันว่ามันจะไปไหนหรือเปล่าถ้าไม่ไปไหนก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาเชือกมารัดมันก็ได้แต่ถ้าดูดูมันแล้วมันเห็นมันไปแล้วมันไม่ได้อยู่กับตัวแล้วมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ว ทีเราก็ต้องหาเชือกมามัดมันนะสติมันมีหลายสตินี้เป็นเชือกเชือกนี้มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันใช้ได้แทนกันได้หมดใช้พุทโธก็ได้พอลืมตาขึ้นมาก็พอมันจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็พุทโธพุทโธแล้วก็ไปทําภารกิจอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุทโธพุทโธไปคอยดูถ้าหยุดพุทโธได้แล้วมันไม่คิดก็หยุดพุทโธก็ได้ แต่พอมันจะคิดก็ต้องดึงมันกลับมาถ้ามันไม่ไม่คิดอะไรก็ให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวเดินไปไหนเดินมาไหนนี่มันมันไม่ต้องใช้ความคิดเป็นแต่ให้มีสติดูมันให้มันอยู่กับงานของร่างกายที่กำลังทำอยู่ในขณะนั้น ถ้ามันไปคิดก็ต้องดึงมันกลับมาถ้าดึงมันไม่กลับก็ใช้พุโทโธช่วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วก็ทำอะไรควบคู่ไปกับพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราสามารถคอยดึงจิตให้มันอยู่กับเราไม่ให้มันไปหาไปที่นั่นที่นี่ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะอยู่ ให้อยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธให้มัอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจถ้ามีสติมีกําลังมากมันก็จะดึงจิตให้เข้าข้างในได้คือมีคำใช้เหตุที่จิตเราไม่เข้าข้างในก็เพราะกิเลสมันคอยดันออกมาความโลภความอยากต่างๆมันคอยดันออกมามันจะดันให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสดันให้เราไปหาลาบยศสรรเสริญกันใช่ไหมตื่นขึ้นมานี่มันแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อไปหาอะไรกันะ ไม่หาเงินก็หาตำแหน่งไม่หาตำแหน่งก็หาสารสเสริมนั้นก็หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายมันหาอย่างนี้ตลอดเวลาตันหามันดันจิตของเราให้ออกมาทางนี้ตลอดนวล่ะถ้าเราอยากจะให้จิตสงบจิตเข้าข้างในเราก็ต้องใช้สติใช้สติอย่างใดอย่างหนึ่งดันดันมันนื้นๆึงมันเข้าไปถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธมันก็ชักกระเยือกกับความอยาก ามอยากมันก็อยากจะออกข้างนอกพุทโธก็จะไม่ให้มันออกผักมันเข้าไปดันมันเข้าไปถ้าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งชนะก็ตอนที่ต่อสู้กันเนี่ยมันจะเหมือนมันเครียดเวลาเราจะนั่งสมาธิที่รู้สึกมันตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยใจมันรู้สึกมันไม่อยากจะมันไม่อยากจะพบกับความเครียดเพราะมันต้องดึงกันไปดึงกันมา ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเจริญสตินี่มันสบายปล่อยให้กิเลสมันพาไปพาไปไหนก็ไปมันไม่เครียดในใจแต่มันจะไปทุกข์ทีหลังเวลากิเลสมันพาเราไปตกตกเหวตกบอ่อแอกโค้งตอนที่ไปกับกิเลสสนุกมันโวนไปเที่ยวไปเลยตอนเงินหมดนี่ทุกข์ก็สิเงินไม่พอใช้แนละ้วทุกข์ ด้วเที่ยวกับแฟนแฟนเบื่อเราแฟนทิ้งเรา mm hmm. ก็ทุกแล้ว mm hmm. แต่ตอนนี้ไปใหม่ๆกตอนนี้ไปด้วยกันสนุกมันแต่เวลาฝืนมันเนี่ยทุกข์พอมันชวนเราไปเทีย่ยวเราบอกไม่ไปเราจะพูดโทพูดโทรสู้วันนี้เริ่มรู้สึกเก่งขึ้นมาในตัวแล้ว mm hmm. นี่คือการต่อสู้ระหว่างสติกับตัณหาความอยาก พอเราจะนั่งสมาธิพอเราจะเรีนสตินี้เราจะเริ่มรู้สึกอาการไม่ค่อยดีแล uh ้วเกิดอาการเกร็งขึ้นมาแนละ้วเกิดอาการไม่เป <ๆ S 1> นะ็นธรรมชาติขึ้นมาแล้วคนบางคนเลยคิดว่าก า, ารปฏิบัติธรรมนี้เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมชาติ uh การไปกับกิเลสเนี่ยเป็นธรรมชาติเพราะมันเคยไปกันมาจนกระทั่งมันเป็นธรรมดาไปมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติ แต่ผลที่มันตามมาเนี่ยมั น, ม, นมันกลายเป็นปัญหาใหญ่เป็นความทุกข์กันถ้าเรามาเปลี่ยนธรรมดานี้ให้มันเป็นเป็นธรรมดาแบบธรทำถ้าเราธรรมะชนะจิตสงบความอยากจะไปไหนมาไหนสงบตัวชั่วข่าวพอสงบปั๊บความสุขก็เกิดขึ้นมาภายในใจถ้าเราได้ความสุขตัวนี้แล้วทีนี้เราก็จะ สามารถที่จะใช้ปัญญามาสอนให้เราหยุดหาลาบยศสารเสริญหยุดหารูปเสียงกลิ่นลดได้พอเราหยุดแล้วเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้เพราะว่าตอนนี้เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดหาเวทนาหาความสุขทางเวทนากันท้ง สุขเวทนากันมันต้องมีร่างกายต้องใช้ร่างกายต้องใช้ร่างกายพอเรามาพิจารณาเห็นร่างกายเดี๋ยวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ทุกข์กันเพราะเราไม่อยากจะให้มันแก่มันเจ็บมันตายเพราะเรารู้ว่าเวลานมันแก่มันเจ็บมันตายเราหาความสุขไม่ได้หาสุขเวทนาไม่ได้ ทุกครั้งที่เราไปทำานไนี่เรากำหาสุขเวทนากันหนีทุกเวทนากันเวลาหิวก็ไปหาอะไรกินเวลาอยากจะดื่มอะไรก็ไปหามาดื่มพอได้ดื่มแล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแต่ต่อไปร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายแล้วมันจะไม่สามารถหาสุขเวทนาได้มันจะมีแต่ทุกขเวทนาตลอดเวลา เวลาแก่เดินก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะดูจะฟังอะไรก็มองไม่ค่อยเห็นฟังไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยสุขเหมือนตอนที่ร่างกายมันสมบูรณ์แข็งแรงเราก็เลยกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันเพราะเรารู้ว่าพอมันแก่เจ็บตายแล้วเราจะไม่สามารถหาความสุข ทางร่างกายได้แต่ถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วคือความสงบแล้วเราก็ทิ้งความสุขทางร่างกายได้โดยการใช้ปัญญามองดูเปรียบเทียบดูระหว่างความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจอันไหนจะปลอดภัยกว่ากันความสุขทางใจนี้ไม่มีวันหมดร่างกายแก่เจ็บตายก็ยังสามารถผลิตความสุขทางใจได้ ความสุขทางลาบยศรรเสรนญทำตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามันแก่มันเจ็บมันตายก็จะไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ถ้าเราพิจารณาแล้วเราก็จะได้ปล่อยวางร่างกายได้เอาความสุขทางทางใจดีกว่าเวลาอยากจะไปเที่ยวก็ไปนั่งสมาธิแทน อยากจะไปเที่ยวก็ไปอยู่วัดถ้าเรายังไม่สามารถที่จะทำความสงบที่บ้านได้ก็ไปหาที่ที่ไหนที่สงบทำมันแต่ถ้าเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนล้วก็สามารถทำให้มันสงบได้แต่มันยากง่ายต่างกันถ้าอยู่ที่มันวุ่นวายที่มันมีเรื่องมีราวมีเสียงก็ทึ้งครอโคลมันก็ยากแต่ถ้าที่ไหนมันไม่มีเสียงมันเงียบ ไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีเหตุการณ์อะไรมันก็จะง่ายพอเรามีความสงบทําใจทุกครั้งที่เราอยากจะใช้ร่างกายเราก็ไม่ทามันใช้ปัญญาสอนมันว่าทําแล้วเดี๋ยวต่อไปจะต้องทําไม่ได้ตอนนี้ทําได้ตอนนี้ร่างกายแข็งแรงแต่ต่อไปเวลามันแก่มันเจ็บมันตายจะทําไม่ได้เห็น <Yeah. S 1> ตอนนี้เลิกใช้ร่างกายดีกว่า เนือกหาความสุขด้วยร่างกายมาหาความสุขด้วยสติด้วยสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาพอมีความสุขใจก็ไม่ต้องไปเที่ยวความอยากเที่ยวมันก็จะหมดกำลังไปความอยากหาเงินทองหายศหาตำแหน่งอะไรมันก็จะหมดไปเพราะมันสู้ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันสู้ความสุขที่ได้จากการทาใจให้สงบไม่ได้การไม่ทาตามความอยาก พอเราไม่ทําตามความอยากใจก็จะสงบที่มันไม่สงบก็เพราะความอยากนี่แหละพอเกิดความอยากขึ้นมาใจสั่นละมือไม้สั่นขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าวิธีที่ทําให้ใจหายสั่นมือไม้หายสั่นก็ไปทําตามความอยากมันก็หายแต่มันหายชั่วคราวเวลาอยากจะสูบบุหรี่นี่ถ้าไม่ได้สูบนี่มือไม้สั่นพอได้สูบแล้วหายสั่น แตหายเดียวเดียวเดี๋ยวสรนใหม่นะเดี๋ยวอยากใหม่นะเวลาอยากจะเที่ยวอยากจะดื่มสุราอยากจะอะไรก็ตามพอเวลาอยากขึ้นมานี้ใจมันไม่สงบแล้วใจไม่เป็นปกติแล้วใจจะงุดหิดลำคาญมีอารมณ์อะไรต่างๆขึ้นมาพอได้ไปทําตามความอยากวับอารมณ์ต่างๆก็หายไปสงบไปชั่วคราวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นใหม่ แต่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากหนะ้พอความอยากหมดกำลังมันก็จิตก็จะสงบไม่ไม่มาก่อกวนไม่มาสร้างความกังวลกยกระสรับกระสายไม่มาสร้างความรู้สึกหงุดหงิดตำคาใจว่าเหวเศร้าส้อยง่อยเ่งาอันนี้มันผลที่เกิดจากความอยากมันผลิตขึ้นมาถ้าเราฝืนมันไม่ไปทำตามมันเรากลับเข้าไปในสมาธิ ไอ้ความหงุดหงิดความอะไรต่างๆก็จะหายไปไม่ต้องกลับเข้าไปก็ได้ถ้าเราเแต่เราอย่าไปทำตามที่มันต้องการให้เราทำนั่นเองเวลาสั่นเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้มันหยุดสัน่นคือเป้าหมายก็คือทุกครั้งที่มีความอยากอย่าไปทาตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดไป ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็จะมาเลิกความอยากต่างๆไนดะ้ตอนต้นความอยากได้ของภายนอกอยากได้ลาบยศตะระเสินอยากได้รูปเสียงเกิดลดเลิกได้แต่เรายังยังติดอยู่กับความอยากของร่างกายอยู่เรายังอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่เราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายมันมันแก่เจ็บตายหรือไม่ห้ามมันได้หรือไม่ ถ้าห้ามไม่ได้ไปอยากไปอยากให้มันทุกข์ไปเปล่ า, าๆทำไมเวลาเราอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันทุกข์ไ เ, เราก็ต้องมาพิจารณาร่างกายด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของเราหรือไม่ได้เป็นของเร า, เ, าเป็นของเราได้นานเท่าไหร่เป็นของเราไปตลอดหรือเป็นของเราเพียงชั่วคราวถึง เ, เ, เวลาที่มันแก่เวลามันตายมันยังเป็นของเราอยู่หรือเปล่า ให้พิจารณาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราเราอย่าไปอยากให้มันเทีย่ยงอย่าไปให้มันของเราเพราะอยากเราจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากปล่อยให้มันไม่เทีย่ยงไปปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์นี่ก็คือทำปิญญาข้อแรกการปิญญาตรีก็ร่างกายปล่อยร่างกายปล่อยความทุกข์กับความแก่ความตาย พอปล่อยได้แล้วก็ไปทำปริญญาโทปล่อยเวทนาเวทนาเราก็อยากจะให้มันสุขอย่างเดียวไม่อยากให้มันทุกข์นอพอเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นี่หนีแล้วไม่หนีก็ต้องหาวิธีมากาจัดปล่อยมันเฉยๆไม่ได้นะปวดท้องทีก็วิ่งหายากันปวดหัวก็วิ่งหายากันที่มันมีปวดแบบบางปวดที่ยาก็หามก็รักษาไม่ได้จะทำยังไง ก็ทอรมานใจเพราะยังอยากให้มันหายอยู่ดีเราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารณาเวทนาว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันก็เกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเวทนาเดี๋ยวก็ทุกข์เวทนาเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเราไปควบคุมบังคับมันได้ปะสั่งมัได้ปะเหมือนกับเปิดสวิตช์ไฟได้ปะ่ะ พอเกิดทุกขเวทนาก็ปิดสวิคเลยดับเลยได้ปะไม่น่าพออยากได้สุ ข, ขเวทนาเปิดสวิคปั๊บมันจะเกิดขึ้นมามันก็ไม่เกิดพออยากแล้วมันไม่เกิดแล้วกเกิดอะไรขึ้นในใจก็ทุกข์ใจขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากอยากให้เวทนาเป็นไปตามที่เราต้องการอยากให้มันเที่ยงอยากจะให้มันสุขอย่างเดียวถ้ามันทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปทันที ัไม่หายมันก็เกิดความทรมานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับกันสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ปล่อยมันถ้าปล่อยมันแล้วมันจะสบายไม่ไปอยากมันแล้วจะไม่ทุกข์กับมันนี่ก็เป็นการทำปิญญาขั้นที่สองทำกเวทนาถ้าปล่อยเวทนาได้มันก็ ไม่ทุกกับมันเราก็ต้องมาทําข้อสอบกันก็นั่งไปสิเจ็บก็อย่าไปลุกสิเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเดี๋ยวมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายเองอ่ะไม่หายก็อยู่กับมันไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะให้มันหายหรือไม่หายปัญหาอยู่ที่ว่าเราอยู่กับมันได้หรือเปล่าเราปล่อยมันได้หรือเปล่าเราไปเราไม่ไปยุ่งกับมันได้หรือเปล่าปล่อยก็คือไม่ยุ่งกับมันเี้ยไม่ไปจัดการมันเรา วันหนึ่งวันหนึ่งนี่เราคอยจัดการกับไอ้ตัวเวทนานี้่ตลอดเวลาใช่ไหมนั่งตรงนี้ปุ๊บเมื่อยหน่อยก็ลุกละหนีมาละเปลี่ยนที่ละเจ็บตรงนั้นหน่อยก็หาอะไรมามาแก่และถ้าท้องหิวก็หาอะไรมากินละมันก็ทุกขเวทนาเราเราก็เราก็คอยกําจัดมันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวว่าเนี่ยเรากําลัง เรากำลังไปติดกับมันเรากำลังไปยุ่งกับมันแล้วพอมันเวลาที่เราจัดการกับมันไม่ได้ก็ทุกข์กันเวลาเจ็บแล้วรักษาเองไม่ได้ก็ต้องไปหาหมอแล้วสิไปหาหมอแล้วถ้าหมอบอกรักษาไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่แต่ถ้าเรามาเจริญปัญญาว่าเวทนามันเป็นอย่างนี้มันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์ แล้วแต่มันมันจะมาในรูปแบบไหนเราต้องอยู่กับมันให้ได้ส่วนใหญ่เราอยู่กับสุขได้อยู่กับไม่สุขไม่ทุกข์ได้แต่กับทุกขเวทนาเราอยู่กับมันไม่ได้หรือสุขเวทนาถ้ามันหายไปก็ก็เสียใจอยากจะให้มันกลับมาอยากให้มันกลับมาก็มันก็ทุกข์อีกเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เวทนามาหรือไป มันจะมาหรือจะไปในรูปแบบไหนก็ปล่อยมันมาปล่อยมันไปอยู่กับมันไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราจะอยู่กับมันได้เราต้องมีสมาธิมีสติที่จะทำใจให้เราเฉยๆเป็นอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วก็จะอยู่กับเวทนาได้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกข์เวทนาหรือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนา เันเดียวกับอยู่กับร่างกายร่างกายจะแก่ก็อยู่กับมันได้ร่างกายจะตายจะเป็นก็อยู่กับมันได้พอเราเห็นด้วยปัญญาว่าเราไปไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันไม่เที่ยงเหมือนต้องร่างกายมันต้องแก่ต้องตายเมตนามันไม่เที่ยงมันต้องเจ็บมันไม่มันไม่สุขอย่างเดียวมันทุกด้วยมันสุขด้วยมันสลับกันไปสลับกันมา แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเรามีอุเบกขามีปัญญาปัญญาก็จะสอนให้ว่าอยู่เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันแล้วใจจะไม่เจ็บแต่ถ้าไปอยากไปยุ่งกับมันแล้วใจจะเจ็บเพราะยุ่งแล้วมันทำอะไรไม่ได้ดังใจอยากอยากให้มันหายมันก็ไม่หายอยากให้มันมามันก็ไม่มายจะสุขเวทนาหายก็อยากให้มันมาทุกเวทนามาก็อยากให้มันหายมันก็ไม่หาย แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายหรือไม่มีความอยากให้มันมาเราก็อยู่กับมันได้ใจไม่เดือดร้อนใจเป็นปกติใจจะผิดปกติก็ตอนเกิดความอยากเกิดภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาขึ้นมาภาวะตันหาก็คืออยากให้มันมาวิภาวะตันหาก็คืออยากให้มันไปเราต้องมาหยุดไอตัวตันหาสองตัวนี่ภาวะตันหากับวิภาวะตันหา อย่าไปอยากให้มันมาถ้ามันยังไม่มาถ้ามันมาแล้วก็อยา่าอยากให้มันไปวิภาวะตัณหาให้ไม่มีความอยากให้รู้เฉยๆสักแตรวร่ว่าเราแต่สักแต่ว่ารู้ได้ก็ต้องฝึกสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาพอมีอุเบกขาแล้วเราก็จะสามารถเอาอุเบกขามาใช้กับปัญญาได้ปัญญาบอกว่าทุกข์นะถ้าไปยุ่งกับมันถ้าเฉยๆแล้วจะไม่ทุกข์ พอมันเข้าใจแล้วพอมันทำข้อสอบได้มันก็สบายนั่งเจ็บแล้วก็อยู่กับมันได้ไม่ไม่เดือดร้อนก็ปล่อยมันเจ็บไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองถ้ามีเวท่ามีอุเบกขาถ้าไม่มีก็ต้องพุโทโธพุโทโธ ไ, ไปแต่ละนั่งแล้วมันเจ็บก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปอยากกับมันเดี๋ยวพ อ, พ, อพุโทโธไปถึงขีดหนึ่งความอยากมันหยุดปั๊บใจก็เป็นอุเบกขาขึ้นมา ก็อยู่กับมันได้โดยไม่รู้สึกสะเทือนใจแต่อย่างใดนี่ทาปริญญาข้อ1ข้อ2องเวทนาแล้วนอกจากนั้นยังมีมีข้อข้อที่สคือที่เกี่ยวกับร่างกายก็คืออสุภะความสวยงามของร่างกายร่างกายนีเรายังไปร่างกายของเราติดไม่ติดร่างกายของเราแล้วยังดันไปติดร่างกายของคนอื่นอีก เห็นร่างกายของคนอื่นน่ารักน่าดูน่าชมก็อยากจะหาความสุขกับเขาแล้วอยากจะให้เอาเข้ามาเป็นแฟนเราเพราะเราไปเห็นส่วนที่เขาสวยงามเราไม่เห็นส่วนที่เขาไม่สวยงามเราต้องหัดมองร่างกายทั้งส่วนที่สวยทั้งส่วนที่ไม่สวยส่วนที่สวยนี่มันเห็นตลอดเวลามองไปไหนมันมีแต่สวยทั้งนั้นมันมีแต่ปรุงแต่งกันทุกใช่ไหมทุกแห่งทุกคนเนาะ คนถ้าไม่สวยไม่กล้าออกมานอกบ้านกันเห็นเหมจะ อ, ออกมานอกบ้านนี่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวดูหน้าดูตาดูกระจกไปพอไปวัดได้หรือเปล่า <c oughs> อย่นั้นมันออกมาที่ไรก็เลยเห็นว่ามันสวยกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายะผู้หญิงก็สวยชายก็หลอ่อก็เกิดความใคร่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาพอเกิดการอารมณ์ก็ทําให้อยู่คนเดียวไม่ได้เหงาเลยเป็นความทุกข์ ที่เราต้องมาแก้ความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายของคนอื่นไม่ใช่ของเราเราก็ต้องพิจารณาร่างกายของคนที่เราข้างคลายหลงไหลว่ามันไม่สวยอย่างที่เราคิดหรอกมันไม่สวยอย่างเดียวมันมีหลายด้านเรามองอีกด้านดูดูด้านที่ไม่สวยเวลาเขาไม่หายใจลมไม่มีลมหายใจเป็นซากศพนะั่ดูยังจะสวยงามอยู่ว่าปะ มีแฟนเนาะถ้าแฟนตายเนั่นจะเก็บไว้ในบ้านไม่คืนเนี่ยเดี๋ยวจะยกให้วัดแล้วสิลองคิดอย่างนี้ดูมันจะได้เห็นอสุภะเห็นว่าเดี๋ยวร่างกายถ้าให้หายใจแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นอื่นเลยเดี๋ยวก็ส่งกลิ่นเหม็นเดี๋ยวก็แตกเละเทะออกมาแล้วตับไตไส้พุงน้ําอะไรต่างๆก็จะไหล ย, ย้อยออกมาดูร่างกาย ที่มันไม่สวยงามมั่งแล้วดูอนาตอมี่ของมันมั่งก็ได้เห็นแต่หนังหนังหุ้มห่อทุกอย่างไว้หมดมองไม่เห็นเนื้อไม่เห็นเอ็นไม่เห็นกระดูกไม่เห็นม้าไม่เห็นหัวใจไม่เห็นตับเห็นไตเห็นปอดไม่เห็นลำไส้ต้องดูสิ่งเหล่านี้บ้่งหาจดูหากคิดอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเห็นภาพที่สวยงามก็จะได้เอาภาพไม่สวยงามมา มามาเปรียบเทียบกันมันก็จะทำให้การอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับลงไปแล้วก็จะทำให้อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาไม่ว้าเวนี่ก็คือเรื่องของร่างกายกับเวทนามันเกี่ยวดองกันร่างกายกับเวทนานี่มันเกี่ยวดองกันก็มีสามระดับเนี่ยการปฏิบัติก็มีสามระดับเนี่ยเพื่อกาจัด ความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราเองหรือของผู้อื่นของผู้อื่นก็ความสวยงามของผู้อื่นแล้วก็เวทนายึดติดอยู่กับความสุขความทุกข์ไม่ต้องการพอเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ทุกข์กันร่างกายพอเกิดความแก่ความตายก็ทุกข์กันเวลาเห็นร่างกายคนอื่น อยาได้ร่างกายคนอื่นมาให้เราให้ความสุขกับเราก็ทุกข์กันได้มาก็ทุกข์เวลาไม่ได้ก็ทุกข์ทุกข์กันคนละแบบเวลาไม่ได้ก็ทุกข์ต้องนอนเหงานอนไม่หลับได้มาก็ทุกข์เดี๋ยวทะเลาะกันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวกันเหมนืนก็หึงหวงกันเดี๋ยวพอเขาไปคุยกับคนนู้นคนนี้ก็ไม่สบายใจขึ้นใหมาทุกข์อีกแล้วอ แต่ถ้าเราไม่มีการมโนมแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับใครการจะไม่นอนอกับใครไปเที่ยวกับใครไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเคยนอนกับเรานี้ไปนอนกับคนอื่นนี้เดือดร้อนแลคือใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นส้างศพขครอยากจะได้ก็เอาไปเถิดแต่กิดมันตายคืนนี้สับเปลเหลอร์มาขอเย็นนี้มันก็เอาไปยกให้สับปลเหลอร์ไปแล้วไม่มองตอนที่เขาตายมั่ เวลามีลมหายใจนี่เขาจะฆ่ากันตายให้ได้ใครมาแตะไม่ได้พอตายแล้วยกขอร้องเลยขอร้องเชิญสั บ, บเบลเออมารับไปเลย <c oughs> เราทำไมไม่มองตอนตอนที่เขายังมีลมหายใจว่าเหมือนกับตอนที่เขาไม่มีลมหายใจแล้วเราก็จะได้ไม่หึงหวงแล้วเราก็จะไม่อยากที่จะมีใครมานอนด้วยนอนคนเดียวสบาย ไม่เงาไม่ว้าเวถ้าไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาถ้าเกิดการอารมณ์แล้ว น, นอนไม่หลับใช่ไหมถ้านอนไม่หลับถ้ามีการอารมณ์ให้นึกถึงก็สุภะไหมดูอาการสามสิบสองดูซากศพสิบชนิดเดี๋ยวการอารมณ์หนีหมดเลยอันนี่ก็ระดับระดับของร่างกายกับเวทนาก็ เป็นแบ่งเป็นอริย ข, 3, 3ขั้นสามสามขั้นโซดาบันสกิดาคามีอนาคามีโซดาบันก็กําจัดเรื่องความยุติดในร่างกายกับเวทนาได้ไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายเพราะยอมรับว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วหัดอยู่กับมันได้หัดได้ด้วยปัญญากับสมาธิเนี่ย ถ้ามีสติมีอุเบกขามีปัญญามันก็จะเฉยๆกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ต่อต้านไม่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่ทุกข์กับร่างกายกับเวทนาแล้วก็ขั้นต่อไปก็ไปพิจารณาสุภาษสุภาะก็มีสองขั้นถ้าถ้าเห็นสุภาษะครึ่งหนึ่งคือเห็นบางเวลาบางเวลาไม่เห็นก็จะทาให การอารมณ์เบาบางลงแต่ไม่หมดก็ได้ขั้นที่สองได้ขั้นสกิทาคามีผู้ที่ทําให้การอารมณ์เบาบางลงถ้าถ้าเห็นสุภะตลอดเวลาก็จะกําจัดการอารมณ์ได้ตลอดเวลาก็จะเป็นขั้นของพระอนาคามีพระอนาคามีนี้จะไม่มีการอารมณ์กับใครเห็นร่างกายที่ไรก็เห็นว่าเป็นซากศพเห็นว่าเป็นอาการสาสิบสอง ในระดับร่างกายกับเวทนาแล้วพอผ่านร่างกายเวทนาแล้วก็ทีนึงเข้าไปถึงจิตแล้เลยโดยจิตมันละเอียดกว่าเหมือนเวลาเราใช้กล้องจุนตระทันเนี่ยเราต้องเพิ่มแรงแรงแรงขยายตอนต้นเราดูใช้ขนาดคูณด้วยสิบเท่าก็เห็นส่วนหนึ่งต่อไปต้องเพิ่มเป็นร้อยเท่าถึงจะเห็นส่วนที่ละเอียดกว่า น, นั้นต่อไปก็ต้องเพิ่มเป็นพันเท่า ร่างกายก็สิบเท่าก็เห็นเวทนาก็ร้อยเท่าน้องที่นี้มาทางจิตก็ต้องขยายปัญญาจะต้องไวขึ้นต้องเร็วขึ้นต้องละเอียดขึ้นสติต้องไวขึ้นถึงจะทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดภายในจิตทันตัวตัวกิเลสที่ไปยึดไปติดกับอารมณ์ต่างๆที่ยังไปรักไปชังกับอารมณ์ต่างๆอยู่อารมณ์ดีก็รัก อารมณ์ไม่ดีก็ช่างนี่ก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าอารมณ์มันก็เกิดดับเกิดดับของมันอย่างนี้ก็เหมือนกับเวทนาเวทนาก็เกิดดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์ในจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าสติปัญญารู้ทันก็จะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้หมดทาอารมณ์พอไม่มีทำอารมณ์เพะปล่อยวางได้หมดจิตก็ไม่มีความอยากหรืออยู่ในใจ ก็ไม <Costco> ่มีความทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับร่างกายที่สวยงามไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีก็อยู่กับมันได้วันนี้อารมณ์ไม่ดีก็อยู่กับมันไปหรือว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปอารมณ์ไม่ดีเปลี่ยนไปอารมณ์ดีก็เดี๋ยวก็เข้ามาอารมณ์ดีเดี๋ยวมันก็ดับไปมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่เที่ยง จิตปล่อยวางทุกอย่างตัวจิตเองนี้ก็จะเฉยกับทุกอย่างไม่ไม่ซึมซาบกับอะไรเป็นเหมือนใบบัวที่ไม่ดูดน้ำน้าหยดน้าไปบนใบบัวใบบัวมันก็อยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่กันมันสัมผัสรับรู้กันแต่มันไม่มีอารมณ์ต่อกันจิตที่ตัดความอยากได้หมดด้วยสติด้วยปัญญามันก็จะเฉยกับทุกอย่างไม่มีอารมณ์กับทุกอย่าง เห็นอะไรก็เฉยสักแต่ว่ารู้เห็นร่างกายก็เฉยเห็นความแก่ก็เฉยเห็นความเจ็บก็เฉยเห็นความตายก็เฉยเห็นร่างกายที่สวยงามก็เฉยเห็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็เฉยไม่มีปฏิกิริยากับมันอย่าเฉยได้ก็เนี่ยต้องมีธรรมพระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐาน ข้อที่สี่คือธรรมที่ต้องมีก็ต้องมีสติมีปัญญาโพุทธชงก็คืออะไรก็พุทธชงโคสติสร้างข่าโตก็สตินะพุทธชง ม, มีสติมีสมาธิมีธรรมวิจารก็คือปัญญาการพิจารณาค่ายควรอะไรต่างๆมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตัวมรรคตัวสติสมาธิตัวปัญญาตามตัวนี่แล้วก็ตัววิริยะความภาคเพีย ถ้ามีธรรมเหล่านี้มันก็จะสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางได้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง mm hmm. เพราะจิตมันติดอยู่แค่นี้ติดอยู่แค่สามตัวเนี้ติดอยู่ที่กายติดที่เวทนาติดอยู่ที่จิตเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตา เราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ไปยุ่งกันต่างฝ่ายต่างอยู่กันตอนนี้เราไม่เข้าใจเราคิดว่าเราควบคุมบังคับจัดการกับมันได้จัดการกับร่างกายได้จัดการกับเวทนาได้จัดการกับจิตได้แต่มันจัดการได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ล้มไปนะเดี๋ยวก็ต้องจัดการใหม่แก้ปัญหาวันนี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปัญหาใหม่ก็กลับมาอีกแล้ เจ็บตรงนี้ไปรักษาเสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจ็บตรงนั้นต่อมันก็มีเรื่องที่เราจะต้องคอยมาคอยแก้อยู่เรื่อยๆทุกกับมันไปเรื่อยๆพราอยากจะให้มันไม่เจ็บอยากจะให้มันไม่ไม่เป็นอะไรอยากจะให้ร่างกายดีไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันไม่เที่ยงมันจะต้องไปสู่ความไม่ดีทั้งหลายร่างกายมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ มันจะเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆโรคภัยต่างๆจะมีมากขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องตายไปตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำนมไ่เอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าหรือแต่เศษกระดูกนี่คือเรื่องของสติปัฏฐานสี่เราต้องมาสร้างสติกันแล้วก็สร้างปัญญากันถ้ามีสติมีปัญญาเราก็ต้อง เราก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนา as, ปล่อยวางจิตได้เราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนาไม่ทุกข์กับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจอยู่ในจิตอีกต่อไปยังมีอยู่อารมณ์ยังมีอยู่พระอรหันยังอยู่กับร่างกายยังมีเวทนาเหมือนเรามีร่างกายที่แก่เจ็บตายเหมือนเรามีอารมณ์ต่างๆในในใจเหมือนกันแต่ท่านไม่หลงไปติดกับอารมณ์เหล่านั้น ถ้รู้ทันมันปล่อยมันวันจันทร์ลมไม่ดีก็ปล่อยมันไม่ดีไปเดี๋ยวมันก็หายอลมดีเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายสลับไปสลับมาแต่จิตที่รู้ทันนี้จิตจะไม่มีวันทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนี่คือเรื่องของสติปัฏฐานสี่ซึ่งบางคนไม่เข้าใจอ่านแล้วคิดว่าเป็น ทำทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยในจับแพะชนแกะวุ้นไปหมดจับตัวไหนก็ไม่รู้จับไม่ถูกจับไม่ผิดตัวที่จะต้องจับตัวแรกก็ไม่มีแล้วจะไปจับได้ยงไงตัวอื่นตัวแรกที่ต้องมีคือสตินะพุทธเจ้าบอกสตินี้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดเป็นเหมือนรอยเท้าช้างนะภายในป่านี้มีรอยเท้าของสัตว์ไหนที่จะใหญ่กว่ารอยเท้าช้างหยไม่มี รอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดสติก็เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายถึงแม้ว่าตัวสติเองจะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ทำให้จิตหลุดพ้นได้ก็ตามแต่ถ้าไม่มีสติมันก็สมาธิก็เกิดไม่ได้ปัญญาก็เกิดไม่ได้วิมุตติก็เกิดไม่ได้การหลุดพ้นก็เกิดไม่ได้สติเหมือนเหมือนกุญแจรถยนต์เนี่ย ตัวนี้เดียวกุญแจลูกเดียวเนี่ยถ้าลองหายดูสิรน้นย้อนคันมื่เริ่มมันก็ไปไหนไม่ได้นะตัวยังวิ่งไปไหนมาไหนแน่ต้องมีกุญแจเราจึงรักษากุญแจกันตลอดเวลาใช่ไหมทำไมไม่รักษาสติมันรักษากุญแจนะกุญแจอยู่ที่ไหนเรารู้ใช่ไหมกุญแจรถตอนนี้อยู่ที่ไหนรู้ป่ะ <Okay. S 1> สติอยู่ที่ไหนรู้ป่ะไม่รู้สติอยู่ตรงไหนตอนนี้ไม่รู้สติหายมันไมอ มันก็เลยไม่หลุดพ้นกันไปไหนไม่ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะไม่มีกุญแจที่จะขับใจให้ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามีสติปั้นเดี๋ยวปัญญาสมาธิก็มาสมาธิมาปัญญานี้เราได้จากพระพุทธเจ้าแล้วเราโชคดีไม่ต้องหาเองฟังเทศฟังธรรมเราก็รู้แนละ้วปัญญาที่เราต้องมีก็คือใจรักอันนี้จังทุกขงังอนัตตา ทุกอย่างมันเป็นตายรักหมดเนี่ยง่ายจะตายไปปัญญาเนี่ยใช่ไหมคุณจะบักสะเพทุกอย่างเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาหมดก็ยังไปเห็นว่ามันเป็นนิจจังสุขขังหนาตาอยู่นั่นอย่างอยากให้มันเป็นนิจจังสุขขังหนาตาอยู่พออยากแล้วเป็นง่ายร้องโหย่้องไห้กันเจ้าโศกเสียใจกันเวลามันเกิดอนิจจังขึ้นมาเวลาตายจากกันในร้องหย่้องไห้กัน ก็พระเจ้าก็สอนอยู่แล้วว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายปไปไว่ได้ก็ไม่ฟังกันไม่สนใจเอามาคิดกันลืมมีปัญญาแต่ลืมหายปัญญาหายสติหายทุกข์มันก็เลยเข้ามาปัญหามันก็เลยเข้ามาถ้ามีสติมีปัญญาแล้วทุกจะหายปัญหาจะหาย ดังสิ่งที่เราไม่มีกันตอนนี้ก็คือสติและปัญญาถ้ามีสติมันก็มีสมาธิด้วยนะเพราะสมาธิเป็นผลที่เกิดจากการมีสติพอมีสติเรานั่งหลับตาดูลมหายใจมันก็สงบเป็นสมาธิเราก็จะมีความสุขพอเรามีความสุขแล้วเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงเราต้องเอาตัวนี้เป็นสมบัติของเราแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไปเพราะทุกอย่างมันเป็นทุกข์ เพราะมันเป็นความสุขปลอมความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปพอหมดไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาเราก็จะเราก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางลาบยศสรรเสริญปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวาง อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ก็จะอยู่อย่างสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับอะไรอะไรจะเกิดจะดับก็รู้ทันรู้ว่ามันเป็นธรรมดามีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปอยากแล้วก็จะทุกข์เนี่ยจะเห็นเนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยม อย่าให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเรา <Yeah. S 1> พอของที่มันพอมันจากเราไปเราก็ร้องหอม่มร้องไห้กันเพราะเราอยากให้มันเป็นของเราต่อไปแต่ตอนนี้มันไม่เป็นแล้ว <Yeah. S 1> มันไปแล้วเพราะเราไม่เห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราถ้าเราเห็นว่าไม่เป็นมันไม่เป็นของเราเราจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมรถของคนอื่นเราเดือดร้อนไหมรถหายแฟนของคนอื่นเราเดือดร้อนไหะ แพอเป็นของเราขึ้นมานี่เดือดร้อนแะถ้าเป็นอะไรเป็นของเรานี่มันจะต้องเป็นของเราไปตลอดเป็นของเราชั่วคราวไม่ได้ทั้งทังที่ทุกอย่างในโลกนี้พระเจ้าบอกมันเป็นของชั่วคราวอันนี้จังไม่ได้เป็นของเราไปตลอดห้ามไม่ได้เวลาเขาจะไปสั่งให้เขามาก็ไม่ได้เวลาเขาไม่มาดังนั้นอย่าไปห้ามอย่าไปสั่งอยู่ตามมีตามเกิดอยู่กับความสงบอย่างเดียวพอ ถ้ามีความสงบแล้วไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นในโลกนี้แล้วก็จะไม่กลับมาเกิดเด็กต่อไปเพราะเข็ดกลับมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันมาอีกแล้วสิ่งที่ได้ก็ไม่วิเศษเหมือนกับความสงบที่เรามีอยู่ยั้นถ้าเรามีความสงบแนละ้วมีความสุขในใจแ ล, แล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปถ้ายังไม่มีความสงบต่อให้ฟังเท่าไหร่ก็ ฟังไปก็มันมันเข้าไปไม่ถึงใจมันก็ยังอยากอยู่ดีเพราะมันยังหิวมันยังไม่มีความสุขนั่นเองแต่ถ้ามันมีความสุขจากความสงบแล้วมันมันจะเห็นทันทีว่าไม่มีอะไรดีกว่าความสงบนี้สิ่งต่างๆที่สุขขนาดไหนมันก็สุขชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมายังไม่เอาอะไรดีกว่าเอาความสงบตัวเดียว อยู่กับความสงบอยู่กับอุเบกขาความสงบในสมาธิเป็นตรักของเราถ้าสมาธิมันก็ยังเป็นตายรักอยู่มันเป็นเกิดดับเกิดดับอยู่เวลาออกจากสมาธิมาซ ส, สงบมันก็ค่อยๆจางหายไปแต่ความสงบที่เกิดจากการกำจัดตัวที่มาทำให้ความสงบหายไปได้มันจะสงบอย่างถาวรตัวที่ทำให้ความสงบมันยังไม่ถาวรก็เพราะความอยากนี่ ออกมาปั๊บพออยากปั๊บใจก็ใจก็สั่นนะถ้าเรากําจัดตัวความอยากที่มีในใจที่มาตัวทำให้ใจไม่สงบได้ต่อไปใจมันจะสงบโดยธรรมชาติธรรมชาติของใจนี้ถ้าไม่มีตันหาความอยากแล้วมันจะสงบไปตลอดอย่างที่เรียกว่านิพานเนี่ยนิพานคือความสงบที่ถาวร เกิดจากการกําจัดตัณหาทั้งสามไม่หมดไปจากใจกรรมตัณหาภาวตัณหาวิภาวะตัณหาสมาธินี้เพียงแต่กดมันไว้เวลานั่งสมาธิกดมันไว้กดตัณหาทั้งสามตัวไม่ให้มันทํางานพอไม่ทํางานมันก็เหมือนกับเข้านิพพานไปชั่วข่าวแต่พอออกจากสมาธิมาให้ตัวตัวที่ถูกกดมันก็จะพื้นขึ้นมาเหมือนหินทับหญ้าเวลาย่าเอาหินไม่ทับหญ้าหญ้าก็ไม่งอก พอยกหินออกมาเดี๋ยวหญ้ามันก็งอกโผล่ขึ้นมาใหม่สมาธิก็เป็นเหมือนหินทับหญ้าแต่ปัญญานี้เป็นผู้ที่จะถอนตันหาความอยากถอนรากของของต้นหญ้าต้องใช้ปัญญาคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องไม่ทำตามความอยากเพราะการทำตามความอยากมันจะทำให้ไม่มีวันสิ้นสุดมันจะอยากแบบไม่มีวันสิ้นสุด แล้วความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราอยากมันก็เป็นของชั่วคราวพอมันหมดไปเราก็ต้องไปหาใหม่พอกาแฟหมดเดี๋ยวก็ต้องเติมแก้วใหม่พอบุหรี่หมดก็ต้องไปซื้อซองใหม่พอใช้อะไรหมดั็ต้องไปหาใหม่ทุกทีใช่ของที่เราใช้กันทุกวันนี้ทำไมเราต้องไปหาใหม่ด้วยถ้ามันวิเศษจริงใช่คนเดียวมมันต้องพอต้องอิ่มเลย่ลมไม่พอเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวความสุขชั่วประเดียวประเดา พอหมดก็ต้องหามาเติมใหม่นี่คือปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราจะได้หยุดความอยากได้สิ่งต่างๆกับฝืนความอยากต่างๆธียังมีอยู่ในใจได้พอเราฝืนความอยากได้หมดความอยากมันจะหมดกำลังไปแล้วมันก็จะไม่มาทำให้ใจเราไม่สงบที่ใจเราไม่สงบนี่ก็เพราะความอยากนี่ เหมือนพอเราถอนหญ้าออกจากดินแล้วก็จะไม่มีหญ้าโผล่ขึ้นมาแล้วต้องถอนด้วยปัญญาเพราะความอยากมันเกิดจากความหลงความไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจอนี่พอเรารู้ด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วว่ามันเป็นความมันเป็นความทุกข์แล้วเราเห็นด้วยการปฏิบัติ เวลาจิตเราสงบนี้สบายไม่มีความอยากสบายพอเราเกิดความอยากขึ้นมานี่ใจสั่นแล้วใจกระเพื่อมแล้วกังวนกังวายก็สับก็สายถ้าเราหยุดมันได้คือปล่อยให้มันสั่นไปจนกระทั่งมันหมดแรงพอมันหมดริ้นแล้วมันก็จะหายสั่นแล้วมันจะไม่โผลขึ้นมาอีกอยังต้องปล่อยให้มันสั่นไปให้มันหมดกำลังไปอืม พอมันหมดกำลังคือไม่เหมดทุกครั้งที่มันอยากเราอย่าไปทำตามความอยากต่อไปมันก็หมดกำลังมันไป <c oughs> อานะคิดว่าพอสมควรสำหรับช่วงแรกนี้ก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปะริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาป ะ, ปะิ อิจิตังปฏิต um ังตุมหังคิดเปเมวะสมิตาตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะอรัสยทามณิโชติรัสยทาสพิติโยวิวาจานตุสัพพโรโควิน ok ัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภว อาภวธธนศสีริษานิจังวุธาปจายนโนจตารธรรมวทาติอายุวโนโอสุขังภาลางคำถามจากคุณพัชราพรข้อที่หนึ่งถ้าตั้งจิตนิพพานในชาตินี้จะไกลตัวไปไหมคะ มีคนแนะนําว่าควรไปทีละขั้นคือโสดาบันก่อนคือตั้งขั้นไหนก็ได้มันอยู่ที่ทําได้หรือไม่ได้ ม, มันก็มันมันตั้งไว้สูงๆก็ดีแต่มันก็ต้องผ่านขั้นที่ต่ําไปก่อนถ้ายังไม่เรียนอนุบาลก็ต้องไปเรียนอนุบาลก่อนถ้ายังไม่ได้เรียนชั้นประถมก็ต้องไปชั้นประถมก่อนมันต้องเป็นขั้นของมันแต่เราตั้งขั้นปริญญาเอกได้ว่าชาตินี้เกิดมาจะเป็นด็อกเตอร์เนี่ย เมืเช้านี้ก็ถามเด็กว่าหนูอยากจะเป็นอะไรหนูอยากเป็นหมอ <Yeah. S 2> เออได้ดีอยากจะเป็นหมอแต่ตอนนี้อยู่ปสามปสี่ mm hmm. ก็เรียนปให้มันจบแล้วขึ้นม อ, อากมก็ไป mm hmm. บริญญาตรีโทเอกไล่ขึ้นไปเข mm hmm. ้าใจไหมยนันตั้งได้แต่มันก็ต้องเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหน ตอนนี้เราทําทานได้หรือยังเรารักษาศีลได้หรือยังเราฝึกสติได้หรือยังเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้หรือยังมันเป็นขั้นของมันต้องทําไปเป็นขั้นขั้นข้อที่สองลูปปฏิบัติเองถวายกายและจิตปฏตบติบัติบูชามาหลายปีแต่ไปถึงการพิจารณายังไม่ได้ช่วงนี้เลยมาเพียรภาวนาแบบที่พระอาจารย์สอนถ้านั่งสมาธิไปแล้วจนเข้าสมาธิ เราหลอกตัวเองให้ฝึกพิจารณาจากความคิดก่อนได้ไหมคะหรือว่าพิจารณาหรือว่าภาวานาไปอย่างเดียวก่อนเวลานั่งสมาธิไม่ควรจะพิจารณาอะไรถา้าให้ควรจะให้มันหยุดคิดมันจะได้สงบพอมันสงบแล้วก็อย่าอย่าให้มันคิดให้มันสงบนานๆจนกว่ามันจะอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นมาเวลาออกจากสมาธิแล้วเนี่ยถึงค่อยมาพิจารณาทางปัญญา แต่ถ้ายังไม่ชํานาญทางสมาธิก็ยังไม่ควรพิ จ, จารณาควรจะเจริญสติไปก่อนออกมาก็พุทโธพุทโธไปคอยควบคุมความคิดต่อไปจนกว่าเราจะมีความชํานาญในการเข้าสมาธิเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการถ้าเราเข้าได้ทุกเวลาแล้วเวลาออกจากสมาธิทีนี้เราก็มาใช้ปัญญาได้เพราะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ถ้าเราใช้ปัญญาเดี๋ยวมันฟุ้งขึ้นมาเราจะหยุดมันไม่ได้ถ้าเราไม่ชํานาญ เพราะว่าเดี๋ยวเ ร, เราต้องกลับเข้าไปในสมาธิเพราะการพิจารณาทางปัญญามันจะเหนื่อยทางจิตแล้วมันจะฟุ้งมันจะไม่เกิดผลมันก็ต้องหยุดมันแล้วกลับเข้าไปพักในสมาธิก่อนอ่างนั้นเราต้องชำนาญในทางสมาธิก่อนเหมือนขับขับรถเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปที่ถนนใหญ่ได้เราต้องหัดขับที่ถนนที่ในบ้านหรือถนนที่มันปลอดภัยก่อนอเขาไปโรงเรียนสอนขับรถใช่ไหม ไปหัดขับตรงนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอจอดรถอะไรอย่างนี้ต่างๆหยุดรถอะไรหัดหัดขับในที่ที่มันมันไม่มีจราจรเอเพราะเรายังไม่ชํานาญสมาธิก็เหมือนกันถ้าเรายังไม่ชํานาญในการเข้าออกสมาธิอย่าเพิ่งไปทางปัญญาไปแล้วเดี๋ยวมันกลับเข้าสมาธิไม่ได้คำถามจากคุณจูไรรัต ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีตัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจใช้วิธีบริกรรมพุทโทรหรือให้เขาดับไปเองหรือแค่รู้เฉยๆวิธีไหนดีสุดเจ้าคะก็ลองดูสิแต่ถ้า ว, วิธีที่ดีสุดก็คือพุทธโทนะ่ยมันหยุดทันทีถ้ารอให้มันหยุดมันไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่คำถามจากคุณติก๊กี้ถ้าเราเข้าสมาธิแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะว่าเราจะถอนสมาธิมาพิจารณาตอนไหน แล้ววิธีที่จะถอนออกมาทําอย่างไรคะอ๋อตอนที่มันคิดไงถ้ามันยังไม่คิดก็ยังไม่ต้องถอนถ้ามันนิ่งสงบรู้เฉยเฉยก็ปล่อยมันรู้เฉยเฉไปให้นานที่สุดถ้ามันจะคิดก็อย่าปล่อยให้มันคิดตอนเราทําสมาธินี่อยากจะให้มันนิ่งไปนานๆนิ่งไปจนกระทั่งเราสู้มันไม่ไหวมันจะทั้งมันอยากจะคิดจริงๆแล้วก็ปล่อยมันคิดคำถามจากคุณชัชวานการละสกายะทิฏฐิ ควรเริ่มต้นจากการปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องมีสมาธิก่อนมีสติก่อนถ้าไม่มีสติสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะไปพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มันเป็นดินน้าลมไฟเป็นอาการสามสิบสองแต่เราไปไปตู่เหมือนว่าเป็นตัวเราของเรามันความจริงมันเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่สร้างให้เรามาเราตัวเราไม่มีอยู่ในร่างกายนี้หรอกลองไปค้นดูเลย ในร่างกายนี้มีแต่ผมขนเลบฟันมีแต่หนังเนื้อเอ็นกระดูกมีอวัยวะต่างๆแต่ตัวเราไม่มีเราไปตู่มันเองไปว่ามันว่าเป็นตัวเราของเราเวลาเราทำใจสงบไม่คิดถึงร่างกายนี้เราร่างกายก็หายไปเราก็ไม่ได้เป็นร่างกายไปพอเราคิดปับ๊บมันก็เป็นขึ้นมามันอยู่ที่ความคิดเท่านั้นเองเราไปคิดว่ามันเป็นเราพอเราไม่คิดว่ามันเป็นเรามันก็หายไปเราก็หายไป นเราก็จะได้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเราจะได้ไม่ไป ย, ยึดไปติดไม่ไปทุกข์กับมันที่เราไปทุกข์เพราะเราคิดว่ามันเป็นเราพอเป็นเราเราก็อยากให้มันดีพอไม่ดีเราก็ทุกข์มันต้องไม่ดีร่างกายต่อไปมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเราก็เลยทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายพอเราไปหนงคิดว่ามันเป็นตัวเราของเรา พอเรารู้ว่าไม่ตัวเราของเราเราก็จะไม่ทุกข์เราจะมองร่างกายของเราเหมือนเรามองร่างกายของคนอื่นคุณทุกข์กับร่างกายของคนอื่นไหมคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายคุณทุกข์ไหมเพราะคุณรู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายของคุณร่างกายของคุณนี่ก็ไม่ใช่ร่างกายของคุณแต่คุณไปคิดว่าเป็นของคุณคุณก็เลยทุกข์กับมันอีกข้อนึงคบถามจากคุณมาริวัน ภพชาติมีจริงไหมคะตายแล้วไปเกิดใหม่มีจริงไหมคะอันแล้วหนูมาเกิดได้ยังไงเลยนี่ไม่ใช่ภพชาติหรอเนี่ยถามอะไรมาอ่ามีครับอ่คอาครับถามจากคุณแทนจิตผู้รู้กับจิตใต้สำนึกแตกต่างกันมากไหมครับมันตัวเดียวกันมันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันจิตใต้สำนึกจิตผู้รู้ก็คือตัวจิตนี่แหละที่มันมีทั้งตัวรู้ตัว ตัวตัวจำจิตใต้สำนึกก็คือสิ่งที่มันจดจำมาหรือฝังมาจนเป็นนิ ส, สัยเนี่ยมันก็เป็นจิตใต้สานึกบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาบางทีมันก็ไม่โผล่ขึ้นมามันมักจะโผล่ตอนที่จิตสงบจิตใต้สานึกบางทีเราลึกชาติได้คนที่เราลึกชาติได้นี่ต้องทาจิตให้สงบก่อนไม่ให้มีความคิดอะไรต่างๆมามารบกวนพอจิตสงบเนื่งแล้วสิ่งที่มันอยู่ใต้สานึกใต้จิตมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้ เรเลึกถึงอดีตต่างๆได้หรือพลังต่างๆที่เคยมีอยู่อาจจะโผล่ขึ้นมาอาจจะมีหูทิพตาทิพมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆนี่มันอยู่ใต้จิตสำนึกมันไม่ได้อยู่ตามจิตระดับปกติที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้นะมเแล้วนะบวชแล้วนะวันนี้ขออภัยทางบ้านด้วยนะที่มีคำถามได้ไม่มากก็ไว้วันหลังก็แล้วกัน